ความวิตกกังวลความกลัวทั้งหมดเนี่ยนะเราเรียกว่าความทุกข์แล้วก็จะเห็นได้ว่านะมันก็ลอและแต่เกิดขึ้นเมื่อใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจไปนะหมกมุ่น ค, นคุนคิดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะรวมทั้งสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วนะความทุกข์คนเราเนี่ยความทุกข์ใจคนเราส่วนใหญ่มันเกิดเพราะเหตุนี้อย่างพวกเราเนี่ยนะ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 แต่ก็แปลกนะ่อง่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยเวลาทุกเนี่ยไม่ว่าทุกเรื่องอะไรก็ตามเราไม่ค่อยรู้ตัวนะว่าเรากำลังไปแบกกำลังไปยึดอะไรเอาไว้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะก็อยู่กินกับสามีมา10กว่าปีก็ดูหน้าเป็นนนเป็ครอบครัวที่อ่ลงตัวแล้ววันหนึ่งก็เพราะว่าสามีเนี่ย